ตอนนี้ก็เลยตัดสินใจเลยเราเกิดมานี่เพื่อทำไมเกิดมาแล้วขมทุกมันนีมากคมสุกอยู่ที่ไหนคำว่าสวรรค์นิพพานนสายแล้วจึิงจะเอามันเป็นรูปร้างลักษณะอย่างไงอยากรู้แบบนี้กลัวนระกนี่กลัวจริงๆอาจจะมาไม่ไม่ทำผิดจริงๆในะข่าวนั้นกลัวนระกมาวิธีที่ไปศึกษากับ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 วันนี้อายุยี่สิบตีก็ไปบวชอีกแล้วอ๋อมันสมมุติเอาอันนี้นี่มันเข้าใจอย่างไงอ๋อผีบัานนี้ผีก็สมมุติจะมีจริงคนไม่มียานไม่รู้เคยได้ยินไหมพุทธศนส่์คนทําทั่วพูดตัวเขาว่าไอ้ผีถ้าเป็นผู้สาวคนทําดีพูดดีเขาว่าเ อ, อ้ยอิตานี่คือคือพระธรรมแต่มันคือมันไม่ได้เห็นตัวพระธรรมมันคือ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 เป็นมนุษย์ได้จริงๆข่าวนั้นน่ะเป็นได้จริงๆเมื่อเป็นเทวดาได้แล้วบ้างมองดูสภาพความเป็นอยู่เรื่องสมมุติรู้จริงๆเป็นผู้ใหญ่บ้านกรำนั้นเป็นตำรวจทหารสมมุติทางนั้นตัวคนยังเหมือนเดิมแต่คนก็เลยไปหลงติดสมมุติลืมตัวไปเป็นอย่างนั้นติดยศติดลาบติดซื้อติดเสียงอะไรติดไปทุกสิ่งทุกอย่างทีเดียว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 อ๋ศาสนาแปลว่าคําสั่งสอนของท่านพุทธศาสนาบัดนี้ถามตัวเองพุทธะแปลผู้รู้โอ๋ออะไรรู้ก็ตัวเคลื่อนตัวไหวนี่เองมันรู้พลิกมือขึ้นมันรู้ควรไม่รู้มันค่อยหายจางไปเนี่ยมันมาถามตัวเองควรไม่รู้ไปที่ไหนดีเอาพลิกมือดูทิพลิกมือขึ้นมันรู้ควรไม่รู้มันหายไปเองมันไม่มีตัวไม่มีตนควมรู้ก็ไม่มีตัวมไม่มีตน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 เดินจมกอมก็ไปแสดงให้ผีฟังดลยรู้แล้วผีกัร uh ู้แล้วมันลืมอีกแล้วแบบนี้แแสดงทำแบบนี้ให้ผีฟังแสดงทำแบบนี้ให้คนฟังแสดงทำแบบนี้ให้มนุษย์ฟังแสดงทำแบบนี้ให้เทวดาฟังเละตัวเองเป็นบ้าไม่รู้เดินไปเดินมาเนตกเย็นตกเย็นก็ไปอาบน้าอาบน้ามาแล้วกันนุ่งกางเกงถ่ายกางเกงนุ่งเสื้อเดินจมกอมกันอีกแล้ว